สภูตคา ม, มาวักหมวดว่าด้วยภูตคามะ 1. ภูตคามมาสิขาบทว่าด้วยการพรากภูตคามเรื่องภิกษุชาวเมืองอารวี89สสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะอัคารวาเจดีเขตเมืองอารวีครั้งนั้นพวกพิสูชาวเมืองอารวีทำการก่อสร้างตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้ ภิกษุชาวเมืองอารวีรูปหนึ่งกําลังตัดต้นไม้เทวดาโพสิงอยู่ที่ต้นไม้ได้กล่าวกับภิกษุนั้นว่าท่านผู้เจริญท่านต้องการจะสร้างที่อยู่ของท่านก็โปรดอย่าตัดต้นไม้ที่เป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าเลยภิกษุนั้นไม่เชื่อฟังยังขืนตัดได้ฟันถูกแขนลูกของเทวดาที่นั้นเทวดาได้มีความคิดว่าเราฆ่าภิกษุนี้ในที่นี้จะดีไหมแต่แล้วได้มีความคิดว่า การที่เราจะฆ่าภิกษุในที่นี้ไม่สมควรทั้งที่ดีเราควรนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กลาบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคประทานสาธุการว่าเทวดาดีแล้วดีหนักหนาที่ท่านไม่ฆ่าภิกษุถ้าท่านฆ่าภิกษุในวันนี้ท่านจะประสบบาปมากเทวดาไปเถิด ท่านจงไปอยู่ในที่ต้นไม้ว่างในที่นู้นพวกชาวบ้านพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าฉนัยพระสมณะเชื้อสายสกฤตบุตรจึงตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้เล่าพระสมณะเชื้อสายสกฤตบุตรเบียดเบียนชีวะซึ่งมีอินทรีย์เดียวพวกภิกษุได้ยินชาวบ้านตําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงตําหนิประนามโพลธนาว่าฉนัยพวกภิกษุชาวเมืองอารวีจึงตัดบ้างชใช้ให้ตัดบ้าง ซึ่งต้นไม้เล่าครั้นพิสูเหล่านั้นตำหนิพวกพิสูชาวเมืองอาระวีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ